้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านตะครนีนับเป็นปีพศ2477หมู่บ้านตะครนีตั้งอยู่บนเชิงเขามีห้วยใหญ่ไหลลงมาอำเภอประจันทคามได้พักจำพรรชาอยู่ที่เชิงเขามีศิษย์องหนึ่งชื่อพัดภิกษุสนไม่ยอมอยู่ด้วยเขาได้เดินทางกลับผ่านจังหวัดปรากินบุรีไปจำพรรษาที่เขาคอจังหวัดนครนายก ตกลงจำปัญญาอยู่ด้วยกันสองรูปและลูกศิษย์อีกสองคนได้พรกจำปัญญาอยู่ที่ศาลาเก่าๆหลังหนึนงริมห้วยใหญ่น้ํำลึกในปัญญานั้นได้ถูกน้ําป่าท่วมถึงเจ็ดครั้งบางครั้งท่วมมาถึงกับต้องขึ้นไปนอนอยู่บนคือศาลารู้สึกว่าได้รับการทรมานอยู่มากในกลางปัญญานี้หมู่บ้านนี้นาแน่ได้ยาเบื่อ ลาษฎอนิยมการขโมยวัวขโมยควายมาค่าจนผู้รายก็จุกจุมและพยายามอบรมยากโจมให้ดักความชั่วประพฤติแต่ความดีจนทั้งบางคนถึงกับหลับทิ้งเรื่องยาเผื่อและงงงวนการค่าสัตว์ใหญ่ๆอันทิเช่นวัวควายเรื่องเหล่านี้ได้โด่งดังเป็นข้าหูเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีวัดมะกอก เมื่อออกพรรษาแล้วเจ้าคณะจังหวัดปราจีนได้ขึ้นไติดตามจนพบแล้วได้เรียกให้เราลงมาหยุดด้วยพราท่านต้องการพระกรรมฐานจึงได้พร้องกับท่านเดินทางไปยังจังหวัดกาจีนบุรีท่านได้นําไปให้รู้จักกับผู้กํากับการตรํารวจปราจีนบุรีได้นําไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดคือหลวงสินสงครามหลวงสินสงครามได้ผู้กับเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีคำหนึ่งว่า ให้ขอร้องให้เราอยู่ช่วยสอนตราบคนร้ายตามชายเขาในเขตจังหวัดนี้เมื่อได้ยินทางนี้ตัวเองนึกในใจว่าเราต้องรีบหนีออกจากจังหวัดนี้มิฉะนั้นจะมีข้อผูกมัดเมื่อคิดเนั้นแล้วก็ได้นมรสการลาเจ้าคณะจังหวัดตาจีนบรุรีเดินทางไปอยู่ถ้ำหลวงตาเคนเขาอิโตและเดินทางต่อไปยังจิงอำเภอสะแกว อำเภอกับบินบุรีได้เดินทางเข้าดงลึกไปสารวจที่พักในเขาแห่งหนึ่งชื่อเขาสิงโตเมื่อไปเห็นทําแล้วไม่ชอบเพราะเป็นถําทึกจึงออกเดินทางหันหลังกลับลงมาจากเขาวันนั้นได้เดินทางรัดตัดดงจะข้ามไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เดินหลงทางเพราะเป็นเวลากลางคืนได้เดินอยู่จนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่บุกดงบุกป่าเพื่อมุ่งตรงไปหาหมู่บ้าน กลับวกคืนกลับมาทางเดิมจนเกือบถึงจิงอําเภอสะแก้ววันรุ่งขึ้นเมื่อฉันจัดการเสร็จแล้วได้ออกเดินตัดตรงมุ่งไปยังเขาชะกันซึ่งอยู่ห่างไกลจากจิงอําเภอสะแก้วประมาณสิบห้ากิโลเมตรพอไปถึงหมู่บ้านนี้ก็ได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ในถ้ำเขาชะกันภายในถน้ำนี้เป็นสถานที่เงียบสงดวิเวกไม่มีคนรบกวนเพราะเขาลูกนี้ รวมไปด้วยสัตดุร้ายนานาชนิดอาทิเช่นเสือมีช้างซึ่งอาศัยอยู่รอบๆเชิงเขาเวากลางคืนถึงสงัดขณะ น, นังสมาธิได้ยินเสียงช้างร้องเดินอางวงอักกิ่งมาอยู่รอบๆเชิงเขามีหมู่บ้านทั้งอยู่ห่างจากเขานี้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้พักอยู่เป็นเวลาหลายวันก็ถึงนั้นได้ออกเดินทางตัดข้ามดงใหญ่ซึ่งไม่มีบ้านคนเลย เป็นระยะทางประมาณเจสบกิโมตรใช้วเวลาเดินทางสงคืนระหว่างทางต้องพักนอนกลางดงทั้งสองคืนเราะไม่มีหมู่บ้านเลยเดินทางเรื่อมาจนกระทั่งเข้าเขตจังหวัดจันทบุรีเดินทางผ่านบ้านตะเริงบ้านธามูลแล้วผ่านเข้าเขตอำเภอมาขามจังหวัดจันทบุรีเดินบกไปตามชายดงลังเขาสะบับจนรกระทุ้ถึงอำเภอคลงุงจังหวัดจันทบุรี ได้มาถึงอำเภอกรุงได้ทราบข่าววา่าขุนอำนาจอํานวยกิจได้ลาออกจากราชการและมาพักอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็รู้สึกดีใจมากจนได้ออกเดินทางผ่านเข้บไปในเมืองจันทบุรีและออกไปพักอยู่กลางทุ่งตอ บ, บ้านปดูด้านทิศใต้ของตลาดจันทบุรีแล้วได้เข้าไปเยี่ยมคุณอำนาจที่บ้านคุณอำนาจได้จัดหาที่พักอันสงัดให้แห่งหนึ่งเป็นผ้าช้าผีดิบ อยู่ห่างจากตลาดประมาณยี่สิบเส้นสถานที่นี้เป็นป่าไผยป่าไม้แต้วมีหญ้าขึ้นรกหนานน่นมีที่ว่างเขาจะพักอยู่หนึ่งแห่งคือที่สำหรับเผ้าผีที่นี้เขาเรียกว่าป่าชาเขากุง้งจึงได้ออกไปจําหวัดพักอาศัยอยู่ในป่าชานีตอนนี้มีพระแก่ติดตามมาจากจังหวัดประจินบุรีอง์หนึ่งและเด็กลูกศิษย์อีกคนหนึ่ง นอกจากนั้นขอรากลับบ้านหมดเพราะถึงเวลาจนกบันสาญาติโยมชาวจันทบุรีแดนนิมนต์ให้อยู่จัาทบันสาณิป่าชานั้นจึงได้นําเรื่องไปเรียนเจ้าคณะผู้ปกครองท่านก็ไม่รับรองจึงได้สั่งให้คุณอํานาจไปกราบเรียนเจ้าคณะมุนฑลที่กรุงเทพคือเจ้าคุณราชกวีวัดเทพศิาาีธนารวมท่านได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะผู้ปกครองวา่าให้อนุญาตให้เรา อยู่จำพรรษาในที่นั้นได้ในภาษาที่เดินทางถึงจังหวัดจันทบุรีและได้เข้าไปอยู่ในป่าช้าของกุ้งนี้ต้องขับวันขึ้นหนึ่งคำเดือนสี่สปีพศ2478ในพรรษาแรกชาวจันทบุรีต่างคนต่างพากันตื่นเต้นสนใจในธรรมปฏิบัติในปีแรกนี้มีพระหนึ่งองค์เนรนหนึ่งองค์และมาจำพรรษาอยู่ด้วยเมื่อออกพรรษาแล้ว ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆได้มีความสนใจในเรื่องทำปฏิบัติกันมากขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายตรงกงันข้ามคือพวกที่อิจฉาและสยยาที่เป็นพระก็มีที่เป็นยงก็มีได้เริ่มโจมตีเป็นการใหญ่บางวันก็ปรากฏมีพัดสชนเทเขียนปิดไว้ตามป้ายทางตลาดก่อเรื่องเสียหายหนักขึ้นทุกที วันหนึ่งมีผู้หญิงแก่ๆ ค, คนหนึ่งได้ แ, แสดงตเนเป็นลูกศิษย์ของเราออกไปเที่ยวเรืร่อนไหบอกวุ่นตามตลาดว่าได้ติดตามเรามาด้วยขอสตางค์ข้าวบ้างขอข้าวสุกบ้างขอข้าวสารบ้างได้กระเวณเดินเที่ยวขอจากชาวตลาดทั่วเมืองจนกระทั่งไปถึงบ้านมอมอนุวัดวารพงศ์มอมอนุวัดวารพงศ์จึงได้พูดเรียกตัวเข้าไปในบ้านแล้วเปลิดเปยมาถึงตัวเรา ท, ทั้งๆที่เรายัางไม่รู้เรื่องอะไรเลยมอไมได้พูดตามข้างถนนบ้างตามบ้านร้านตลาดบ้างว่าเราเป็นพระเหลวไรจรจัดอวยเหยีย์เที่ยว ม, มาบอกบุญแาวบ้านเรื่องนี้ได้โด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตลาดทันทุกทีตัวเองก็ไม่ได้ทราบมูลความจริงอะไรเลยพรเอิญคุณนายกิมลังภรรยาคุณอำนาจและนางเฟิงซึ่งเป็นผู้รู้จักเราอย่างดีว่าเป็นอย่างไร ได้ทราบเรื่องกล่าวหานี้จึงได้ตรงไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตวรพงศ์แ้าเปิดพบผู้ว่าราชการจังหวัดชันทบุรีอยู่ที่บ้านนั้นด้วยจึงได้เอ่ยต่อว่าหม่อมอนุวัตวัลพงศ์ว่าท่านได้เที่ยวพูดเหยียดยามหาเรื่องใส่ผ้าช้างของฉันโดยไม่มีมูลความจริงต่อไปนี้เขาจะได้พูดอีกจะได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นยกใหญ่ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดในที่สุด ไม่ได้เสื่อส่วนแล้วได้ความจริงว่ายายแก่คนนั้นเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับทับที่วัดใหม่แกไม่ใช่ศิษย์ของเราและตัวเราเองจะไปไหนก็ไม่เคยปรากฏว่ามีศิษย์หญิงติดตามเรื่องจึงได้ส ง, งบเงียบไปต่อมาถึงภรรษาที่สองได้เกิดมีเรื่องกันอีกได้มีการวาดบางคนนาเรื่องราวของเรามากราบเลียนถวารสมเด็จพระสังกรราช วัดบวรเวทย์เกล่าวหาวาเราเป็นพระหลอกรวงสมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีหนังสือสั่งให้พระครูครูนาถวัดจันทนารามจเจ้าคณะไปสืบถามเราจึงได้คัดลอกหลักฐานไปสุทธิส่งไปถาไวายโดยด่วนท่านได้รับสั่งว่ารอให้ออกภาษาสิโกจะไปดูด้วยตนเองเมื่อออกราษาแล้วท่านก็ได้เดินทางไปจังหวัดตันดุรี พเราได้ทราบข่าวว่าเรือมีที่ท่านโดยสารมาถึงคาสเลตจึงได้ชักชวนญาติโยมไปทำการต้อนรับท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดจันทนารามหนึ่งคืนรุ่งเช้าเมื่อจันอาหารเสร็จแล้วท่านได้มาเยี่ยมเราที่วัดป่าของกุ้งจึงได้ได้มนุท่านให้แสดงธรรมะแก่บรรดาญาติโยมท่านรับสั่งตอบว่าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐาน จะให้มันแสดงธรรมกรรมฐานได้อย่างไรประกาต่อไปท่านได้รับสั่งว่าเราได้ทราบว่ามีคนนิยมเริ่มใสเธอมากเราเลือกว่าทับอย่างเธอนี้หายากเมื่อได้รับสั่งเสร็จแล้วก็กลับไปวัดจันทนารามแล้วเดินทางกลับพนโคนต่อมาถึงมาศตีสามประชาชนชาวจันทบุรียิ่งเกิดความนิยมเริ่มใสขึ้นมา มีคนในตลาดแตามบ้านมาฟังเทศที่วัดมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งนายซองกุยเจ้าของรถจนโดยสารเกิดความศรัทธาออกประกาศว่าถ้าใครนั่งรถจนของเขามาฟังเทศพระอาจารย์องค์นี้เขายินดีลดราคาค่าโดยสารให้เป็นพิเศษสําหรับตัวเองตลอดจนกระทั่งพระนิวัดจะเดินทางไปไนมาไนไม่ต้องเสียค่ารถนับวัน ก็มีคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและเราจกนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอเมื่อออกภาษาแล้วก็ได้ออกเดินทางที่ทุกหงไปเทศสั่งสอนอบรมประชาชนตามตำบลต่างๆทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดแล้วได้เข้าไปแสดงธรรมะในเดือนจําเกือบทุกวันอาทิตย์ในเวลานั้นพระนิกรบดี เป็นผูวราชการจังหวัดขุนภูมิประสา์เป็นนายอำเภอท่าไมทั้งสองท่านนี้รู้สึกว่าเป็นผู้สนใจให้ความสะดวกในการไปมาอยู่เสมอบางข่าวก็ได้นิ ม, มนต์ไปเทศอบรมนักโทษและพูดต้องหาที่วัดบ้างที่อำเภอบ้างบางครั้งก็นำไปเทศออกรมนาชสตนตามะมบลต่งางๆในเขตอำเภอท่าไมโดยเฉพาะ ตำบลนาใจอามซึ่งเป็นตำบลที่มีโจนภูราจุกชุมมาเพราะพื้นที่เป็นผาทึกได้พยายามติดต่อสังสอสอรมประชาชนอยู่อย่างนี้เสมอมาเหตุการ์ต่างๆแต่เรื่องของบุคคลที่อิจฉาตาลนคอยก่อกวนปั้นข่าวใส่หลายต่างๆนานาก็ ย, ยังยงคงมีอยู่อย่างนานเน่นในจังหวัดแต่ไม่เคยรู้สึกหวาดหวั่นเกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งหมดบางวัน คุณนายคิมลังซึ่งเป็นโยงอุปถักต์นับถือประดุจปันดาได้มาเตือนมาเขาจะต้องเล่นงานท่านหลายวิธีทางผู้หญิงบ้างทางนักเต่งก่บ้างให้คอยจับผิดเพื่อหาโอกาสใส่ห้ายบ้างท่านจะสู้เขาไวไหมถ้าสู้ไม่ไหวขอนิมนลประยู่เสียที่อื่นเถอะจึงได้ตอบเลยว่าขอให้ยกกันมาอีกสองจันทบูลฉันก็ไม่นี แต่ถ้าเรื่องราวต่างๆสงบเมื่อไรฉันอยากหนีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้พยายามสร้างความดีติดต่อกันเรื่อยมาได้มีบางหมู่บ้านต้องการทำบฏิบัติไปอยู่ประจำก็ไม่มีปราบจะให้เขาเฉพาะอย่างยิ่งขุนพรมมิปสารในอำเภอท่าใหม่ต้องการนิมนต์ให้ไปอยู่บ้านนาใหญ่อามเพื่อเป็นการช่วยทางบ้านเมืองปราบคามโจรกุราย จึงได้รับปากว่าจะหาพระให้แล้วได้มีจดหมายไปขอพระจากวัดกาจัาสิงท่านก็ได้จะส่งพระมาให้รวมห้ารูปแด้ไปตั้งเป็นสำนักขึ้นที่ตำบลนายายอ่านบ้านนี้เป็นบ้านที่อันตรคัดขัดแขนมากจะหาแม่เพียงเสียมขุดหลุมปักเสากุฏิก็หาไม่ได้เมื่อได้ส่งพระไปจัดตั้งสำนักเรียบร้อยแล้วก็ได้พายาติโยมไปเยี่ยมอาธิคุณนายคง ภรรยาหลวงอนุไทยคุณนายกิมลังภรรยากุลอำนาจเป็นหัวหน้าคณะญาติโจมพอไปถึงสนักที่พักตำบลนายอามได้เห็นภาวะความเป็นอยู่ของชาวบ้านและพะเนนที่ได้ส่งไปอยู่ในฐานะอัตคัดขาดแขนคุณนายกิมลังทำท่าทางชงเฉงและพูดเอกขึ้นว่าพาพระมาอดๆหยักๆตกระกำลำบาก ขอพวกท่านอย่าอยู่กันเลยกลับไปอยู่จังหวัดจันทบุรีเสเถอ์ไพศาลกรงมาซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ที่สำนักนั้นพอได้ยินเช่นนี้ก็ใจเสียคิดกลับจันทบุรีจริงๆในที่สุดสำนักนี้ก็เลยร้างไม่มีพระอยู่จำพรรษาต่อไปพอมาได้ออกไปจำพรรษาอยู่บ้านน้องบัวอําเภอเมืองจันทบุรี แต่อบรมญาตโยมให้ออกไปช่วยกันเผยแพร่ในจังหวัดจันทบุรีในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ได้ออกไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดครั้งหนึ่งได้เดินทางไปจังหวัดตราดแได้ไปพักอยู่ข้างปาชาวัดตำดวนมีญาติโยมพากันมาฟังเทศประมาณสองร้อคนมีญาติโยมจากจันทบุรีติดตามไปด้วยอีกประมาณสิบกว่าคนเมื่อคือวันนั้นเวลาหัวค่า กำลังจะแสดงธรรมเทศนาแต่มีเหตุเกิดขึ้นแลยวมีคนร้ายวากว้างกรออีกเข้ามาในคุ้มคนสามข้อโตโตตนเองก็ไม่รู้ความหมายว่าเหตุใดจึงมีคนแกร้งเช่นั้นพวกญาติโยมก็พากันแตกเฮือขึ้นปีนั้นกําลังเกิดสงครามอินโนจีนเราเองเคยได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงอยู่ในทะเลเสมอเสมอพอเกิดเหตุขึ้นก็นึกถึงลูกปืน บางคนลุกขึ้นจะวิ่งตามหาตัวคนร้ายเมื่อเห็นจันนั้นจะได้กล่าวเตือนญาติโยมบ้าโยมอย่ายุ่งอย่าตามถ้าเขาเป็นคนดีควรตามถ้าเป็นคนร้ายอย่าตามตามฉันดีฟ้าฉันไม่กลัวอะไรเลยอย่าว่าแต่ก้อนอีกต่อให้อะปืนมายิงอกฉันฉันก็ไม่กลัวยิงป่าเขาออกก้นไม่ต้องกลัวคนพอได้ฟังฉันนี บรรดาญาติโยมก็นิ่งเงียบหมดจึงได้แสดงธรรมะให้ฟังมีใจความโดยย่อว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกไม่ได้พักผ่อนอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางไปอำเภอแหลงงอบเพื่อไปเยี่ยมญาติของโยมคือภรรยาในอำเภอแหลงงอบได้ไปพักอยู่สองวันแล้วพาญาติโยมลงเลือข้ามทะเลไปพักอยู่ในป่าลึกเงียบสงที่จขอบช้าง เทศเทศอบรมญาติโยมพสมควรแ้วก็เดินทางกลับอำเภอแหลมโนบได้พักอยู่ที่ตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอมีต้นไซรให่อ ย, อยู่ต้นหนึ่งมีญาติโยมตามมาพักด้วยเกือบยี่สิคนต่างคนทางจัดเตรียมที่พักของตนเมื่อเสร็จเรียบร้อยเวลาบ่ายประมาณสามโมงรู้สึกเหนื่อยจึงเข้ากรดพักอยู่สักครู่หนึ่งก็มีหายเหนื่อยเรหนัวหูพวกโยม ก่อฝ่ายบ้างคุยกันบ้างหักฟืนเสียงทางบ้างจึงลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิเปิดกดออกไปร้องถามว่าเรื่องอะไรกันพูดได้ไม่กี่คำก็เห็นยุงทะเลบินเป็นกลุ่มมืดมาทาังรมใสใหญ่นึกในจิตใจของตนว่าเรามีเมตตาไม่เคยคิดฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่บวชมาคิดฉะนั้นแล้วก็เปิดมุ้งตลบขึ้น รองสั่งญาติโยมและพระนิ้ทุกคนว่าให้ทุกคนดับไฟเดี่ยนี้จุดถูกและตระบมุงขึ้นนั่งสมาธิรวมกันทุกคนแันจะระวนาแผ่เมตตาตา่อโซยุงโดยไม่ต้องแสดงมารยาทบรรดาสานสิทธิ์เมื่อได้ยนินอังนั้นก็พากันทำตามทุกคนจึงได้แสดงธรรมะเมตตาอยู่ประมาณห้านาทียุงก้อนนั้นก็จางหายไปเกือบหมด ไม่ปรากฏว่ากัดหรือตอมผู้ใดแม้แต่ตัวเดียวคืนนั้นได้พักอยู่ที่นั่นตอนเย็นได้มีญาติโยมในอำเภอพร้อมทางค้าราชการชาวบ้านร้านตลาดได้พา ก, กัลังฟังเทศมากจึงได้แสดงธรร ม, มาให้เขาฟังเมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางผ่านตำบลคลองใหญ่ข้ามเขาอิโต้เพอเอินมาพบศิษย์คนหนึ่งที่แหลมยาง เขาเอาเรือมาคนไม้หัวหมูคือไม้ขันไทยเขาได้นิมนต์ขึ้นเรือของเขาชื่อกุ ม, มานทองบ้านเขาอยู่ตลาดแลมสิงกลจังหวัดกันทบุรีได้เดินทางกลับมาถึงวัดป่าของกุ้งทำเคยแล้วได้อยู่จำพรรษาที่นี่ดในพนรรษานี้เกิดอาภาตมีอาการปวดท้องเป็นกำลังฉันยาอะไรก็ไม่หายเลยนั่งสมาธิจนเกือบสว่างนั่งไปถึงเวลาประมาณตีสี่ แต่เกริมปันว่าโรคที่เราเป็นนี้เป็นโรคขำไม่ต้องกินยาคือมีความรู้สึกเวลานังสมาธิแล้วก็เงียบสนิทคลายหลับแล้วเห็นนิมิตรากฏขึ้นในใจมองเห็นกรงนกเขากรงหนึ่งนกเขาที่อยู่ในกรงตัวผอมโซในความว่าครั้งหนึ่งเคยเรี้ยนนกเขาวไว้แล้วลืมให้ข้าวให้น้ําแก่นกเป็นเวลาหลายวัน กาอั น, นันจึงติดทามมสนองให้ตัวเองเกิดเป็นโรคกระ<อ>พาะขึ้นในครั้งนี้ฉะนั้นมีทางเดียวที่โรคนี้จะหายขาดคือการทำความดีในทางจิตเรืเ่องนี้จึงได้คิดออกเดินทางไปวิเวกเมื่อออกปาษาแล้วจึงได้ออกเดินทางไปทางอำเภอท้าใหม่ ไ, มจจมได้เรีอบรมญาติโยมเรื่อยไปได้เดินทางไปจนถึงปากน้ำประสอําเภอแคลงได้ไปพักอยู่ข้างตลาดแห่งหนึ่ง มีชาวตลาดเจ็กจีนมาทำบุญใส่บาตกันมากมายมีหญิงจีนคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีมาขอคนวผมแล้วพูดว่าจะขอติดตามหลวงพ่อพราไม่บุดพึ่งคลอดได้สองเดือนเตรียมตัวบวชนุ่งภคาขาวมาเสร็จแต่ได้เกิดมีเรื่องขึ้นคือลูกชายได้ติดตามมาขอร้องให้กลับบ้านแกไม่ยอมกลับที่ไ้เกิดวุ่นวายกันขึ้นเวานั้น ได้ถูกญาติโจมทบกวนมากกลางวันไม่มีเวลาพักกลางคืนเทศมีวันหนึ่งได้เดินเข้าไปทางทิศตะวันตกของทลาดคือคิดจะหนีผู้หญิงจินคนนั้นพอดีแกลากลับบ้านไปเก็บของลูกชายแกเดินสวนทางมาวันนั้นพอฉันทำงานเสร็จก็หาทางปิดตัวไปอยู่ลำพังในป่าชาอัลึกลบเลือนน้าได้ขาาพักอยู่ในร่มไม้เตี้ยแห่งหนึ่ง ปูเสกกระจูดนั่งนอนพักยังไม่ทันไ้ับตาขณะนั้นได้อธิษฐานใจว่าถ้าไม่ถึงบ่ายสองโมงจะไม่ออกไปสักครู่เดียวในยินเสียงซาซาบนยอดไม้เตี้มองขึ้นไปเห็นรังมดแตงแตกที่เป็นหน่งนี้เพราะมีถาวานพันอยู่ที่รังมดแตงเรานั่งทับคนถาวานเขา้ามันก็แตกกระจายต้องร ล, ล, ลงมาบนทินนอนลุ่มกันกัดเป็นการใหญ่ เอารีดุูคุณนั่งมดแดงกาะแง่เกาะ ข, ขาเต็มไปหมดแล้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตกุติคุโสณให้สัตว์ทั้งปวงตั้งสัตยาธิฐานว่าข้าพเจ้าตั้งใจบวชมาก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์นี้ข้อหนึ่งข้อสองถ้าชาติก่อนพบก่อนข้าพเจ้าเคยเบีดเบียนกินท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้กัดกินเสียให้พอ แต่ด้าวพระเจ้าไม่เคยบิดเบียนท่านมาแต่การโก น, นขอจงเลิกแล้วต่อกันอยากัดข้าพเจ้าเลยอธิการเสร็จก็นั่งสมาธิจิตสงบเงียบสงัดเสียงสู้สู้ซาซของมดแดงเงียบหายไปมดแดงแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่กกบอผิวหนังรู้สึกเป็นสิงอัศจรรย์ยิ่งในธรรมะพอลืมตาขึ้นเห็นหมดแดงเกาะอยู่ตามริมขอบเชย อ, อย่างมากมายเกาะกันเป็นแถว เขาได้เวลาจนเพลนได้ยินเสียงมีโยมสองคนเดินมาหาเมื่อเข้ามาใกล้ๆได้ยินเสียงร้องเออะโวยวายปเป็นเสียงเจ็กได้ยินเสียงตีพุ่มไม้แล้วร้องดังๆว่าไอยาเราได้ยินก็นึกขันอยู่ในใจจึงลองถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่ามดแดงกัดผลที่สุดโยมเจ็กสองคนนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปหาเราได้ได้เวลาบ่ายสองโมงก็ อ, ออกจากที่นั่งพัก กลับมาสู่ที่ผักข้างนอกจึงได้ความว่าจีนสองคนนั้นเป็นลูกชายของโยมจีนที่จะขอติดตา ม, มาไปจึงได้นั่งสนทนากับเขาลูกชายพักกระทองหย้ยไหว้วนขอให้หลวงพ่อช่วยขออย่าให้แม่ติดตามไปเพราะน้องอยังเล็กอยู่พ่อหรือก็แก่แล้วถึงเวลาคำํำหญิงจีนคนนั้นก็มาถึงในมือถือร่มสะพายามนุ่งขาห่มขาว แกมาบอกว่าจะติดตามหลวงพ่อก็ได้พูดคูเข็นแกต่างๆแกก็พูดอย่างข้าวหานว่าไม่โกรธอะไรทางนั้นขอให้ได้ไปด้วยก็แล้วกันจึงบอกแกว่าถ้าฉันไม่กินข้าวยอมจะทำอย่างไรแกก็ตอบปากไม่กินถามว่าถ้าฉันไม่กินน้ำละ่ะแกตอบปาาไม่กินเหมือนกันยอมตายทุกอย่างแกพูดต่อเลยว่าฉันทุกเรื่องครอบครัวมาหลายปีแล้ว พอได้พบหลวงพอ่อรู้สึกใจเย็นเบิกบานข้าหารเราืางนี้ท่านสามารถพูดธรระให้ญาติโยมฟังแทนหลวงพ่อได้ทั้งทั้งที่ความจรงิงแกพูดไทยก็ยังไม่ชัดจึงลองขอยับถามเรื่องธรรมะกับแกแกก็ชี้แจงเหตุผลล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นการน่าอัศจรรย์ญาติโยมที่แกธรรมะตามยกมือขึ้นสาธุไม่ได้ฟังแกพูดจบลงแกตนเองหนักใจมาก ในที่สุดต้องปอบใจสั่งสอนอบรมว่าเพศหญิงจะไปกับพระไม่ได้สแสดงธรรมะให้แก่ฟังอยู่เป็นเวลาสองสามวันในระยะนั้นในระหว่างเวลาเดินทางเป็นโรคปวดท้องทุกวันเพอได้พบเหตุการณ์นี้เขา้าอาการปวดท้องหายไปหมดสิน้นนับตั้งแต่วันออกเดินทางเป็นโรคปวดท้องอยู่รวมทั้งสิ้นสามสิบเอ็ดวัน ไม่เทอบรมอยู่จนแคย่ยอมปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่างในที่สุดได้ยอมกลับไปอยู่บ้านจึงได้พูดกับแก่ว่าจะหาเวลามาโปรดเสม อ, สมอไม่ต้องกลัวฉันพักอยู่ที่วัตปากของกุ้งนี้เองที่พบกันนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่พอเห็นเขาก็แสดงความยินดีและพอใจเมื่อได้ทําความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางกลับจันทบุรตีตามเคยโรคปวดในท้อง ถึงเวลาขาบันษาก็ได้พักอบรมชาวจันทบุรีอีกตามเคยในระหว่างที่อยู่จันทบุรีนี้เมื่อถึงเวลาออกขรัษ า, าแล้วได้ออกเดินธุดงค์ทุกปีไปเที่ยวไปทางจังหวัดต่างๆเช่นระยองชนบุรีากาจีนบุรีชัดเชิงเซาแล้วเดินกลับไปจับบันษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีฉันถึงปีพศ2482ในปีนี้นึกอยากออกไปเที่ยวประเทศหม่ า, มาในประเทศอินเดีย ได้จัดการของหนังสือเดินทางได้สําเร็จเดือนพฤศจิกายนพศ .2512 ได้ 2, ออกเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีมาจังหวัดพระนครผักที่วัดพรรปฐุมได้ติดต่อกับทางราชการและสถานทูตก็ได้รับความสะดวกทุกอย่างมีหลวงประกอบมิติสารเป็นผู้รับรองและช่วยติดต่อทางทูตรับรองทางการเงินรับรองความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายคารวะ เป็นอันเรียบร้อยตามกฎหมายทุกประการเมื่อได้รับนังสือเดินทางทเรียบร้อยแล้วได้ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกและออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดตากเมื่อถึงจังหวัดตากได้ไปพักอยู่ที่วัดวัดหนึ่งโยมได้ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อข้ามเขาไปยังอำเภอแม่สอดแต่ไม่สําเร็จเพราะมีคนโดยสารเต็มทุกเที่ยวในการไปทางนี้ได้มีสิทธิ์คนหนึ่ง ชื่อไหนชินติดตามไปด้วยเป็นคนไม่ค่อยเต็มบาทแต่ใช้งานใช้การได้ดีตุ้มคืนเช้าฉันจังหันแล้วได้ออกเดินทางจากจังหวัด ต, ตาข้ามเขาเผาวอว่าจะถึงอำเภอแม่สดต้องเชื่อมืรานอนกลางทางสองคืนได้เปพักอาศัยอยู่ในวัดป่าชื่อวัดจองวอยักวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์เลยมีแต่คนคนหนึ่งเป็นชากลาอาศัยอยู่ เป็นคนรู้ภาษาพมา่าแกพักอยู่กับแกหลายวันจนได้รู้จักภาษาพมา่าบ้างรวมเวลาที่พักอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เสรจะได้ออกเดินทางต่อไปได้เดินข้ามแม่น้ำเมือ่อยพอเดินข้ามแม่น้ํำไปก็ถึงตลาดออเล็กๆแห่งหนึ่งมีโยมผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามิปีวิ่งมาต้อนรับข อ, อนิมนให้ขึ้นรถเขาจะไปส่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยชาวเมืองกําแพงเพชร เนจากบ้านเดิมมาอาศัยยูเนเตสมาเป็นเวลาเกือบ2ี่ปีแล้วสองคนกับนายชินได้รับนิ ม, มนต์ขึ้นรถของเขารถวิ่งเข้าป่าขึ้นเขาสูงวกไปเวียนมาเวลาประมาณบ่ายสองโมงรถจึงวิ่งพน้นเขาเทือกนี้ถึงที่ราบแล้ววิ่งต่อไปถึงหมู่บ้านก็แกคือบ้านบุตรกิจถึงเวล า, ามืดพอดีจึงถึงบ้านของแก ได้พักอยู่ที่บ้านของโยมผู้นี้กระทัประมาณตีสี่ 4, มีหญิงพมา่านําข้าวต้มาถวายมาบอกให้ฉันเขาไม่ยอมฉันเพราะยังไม่สว่างเขาจึงออกไปรออยู่ข้างนอกบ้านจนสว่างเพราสว่างฉันจึงหันแล้วภรรยานายคนนั้นได้ส่งขึ้นรถจนไปท่าจงโตคือท่าเรือไฟแล้วได้ขึ้นเรือเดินทางไปเมืองวัลแมง ทางทางเรือประมาณสี่ชั่วโมงระหว่างอยู่ในเรือเมมีแ่กแประม่ามาชวนสนทนาด้วยเราไม่ค่อยรูปภาษาเท่าไหรนะักเวลาประมาณสี่โมงเย็นเรือเมก็ถึงจังหวัดมัละแมจากจังหวัดนี้จะต้องข้ามเรือไปฝั่งมอตมะข้ามแม่น้ําไปอีกร้ายนาทีจึงถึงมอตมะเมื่อมาถึงฝั่งนี้แล้วมองเห็นสถานีรถไฟอยู่ริบหรีเวลาประมาณหนึ่งทุ่มรถไฟจึงออกจากสถานีมอตมะ ระหว่างที่รถไฟยังไม่ออกได้ไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้คอยเวลารถออกมีชายคนหนึ่งอายุประมาณส0สิบปีสังเกตดูเป็นคนมีอธัธยาศัยดีงามเด้เข้ามาหาแล้วพูดว่าอนุญาตให้ท่านขึ้นไปนั่งพักบนรถไฟได้หายเป็นพิเศษก่อนรถจะออกเพราะท่านเป็นข้าไทยมาจากแดนไกลเขาเรียก ว, ว่าโยธยาคงยี เราได้พูดแสดงความขอบใจกับเขาว่าแท่นกิ้วบริมัิเขาก็ยกมือไหว้ยอย่างยิ้มแย้มแล้วถามว่า Where you come from แวร์ดูอยู่คำฟอมเราตอบเขาว่า o m ค f ฟอมสยามพูดกันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งผักบนรถไฟจาหน้าทีรถไฟก็มาติดต่อสนทนากันพอรู้เรื่องพูดภาษาพม่าบ้างภาษาอังกฤษบ้างบนกันไป เมื่อได้เวลารถไฟออกเป็นเวลากลางคืนอากาศหนาวเรานอนคุ้มโปงในจินนั่งฟฝ้าบริการขณะรถไฟไปถึงสถ า, า น, นีหงสาวสดีมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณส0สิบปีขึ้นมานั่งใกล้ๆที่นอนของเราเขามาถามเป็นาภาษาพม่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ได้รุกขึ้นสนทนากับเขาด้วยมารยาทเราพูดว่าตว่าย่างกงเขาถามว่าจะไปพักที่ไหน โดยภาษาพมารเราตอบว่าทวเวดียกองได้สนทนากันโดยใช้ภาษาใบแกก็เกิดความเลื่อมใสรถวิ่งไปถึงเวลาประมาณตีห้าแกได้ลงจากรถไฟจากกันไปเราได้โดยสารรถไฟไปจนถึงเมืองยางกงรุงพอได้สว่างพระออกบินตาบดมีย้อคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนรถไฟมาช่วยรับข้าวรับของ ทำตัวประดุดคนรู้จักคุณเคยกันเขาได้มีมนขึ้นรถของเขาเราก็พากันขึ้นไป น, นั่งโดยไม่ได้พูดอะไรเขาได้พาไปส่งจนถึงที่พักบนพระเดีชเวดะกองโยมคนนั้นเดยกลายเป็นโยมอุปถัมภ์ส่งเสียให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเขาชื่อนายหม่องแควนได้อำวยความสะดวกให้ทุกประการไ้พักแรมอยู่บนองค์พระเดีเป็นเวลาสิบสองวัน ได้รู้จักคุนเคยกับญาติโยมชมาวพม่าหลายคนสนทนารู้เรื่องราวกันพอสมควรแต่ก็ได้ออกเดินทางจากเมืองย่างกุง้งลงเรือเมที่ท่าเรือใหญ่เดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเรือวิ่งข้ามาสมุดอยู่สองวันสามคืนมืดพอดีถึงท่าเรือกันกัตาได้พบรักแขกองหนึ่งมาจากเมืองกุาาสิณาไดแต่สนทนาภาษาธรรมะโดยภาษาบาลีบ้าง ภาษาแขกบ้างภาษาอังกฤษบ้างพูดคุยกันครั้งหนึ่งต้องใช้ถึงสามภาษาประกอบกันจึงรู้เรื่องบางคราวขึ้นต้นภาษาแขกตอนกลางภาษาบาลีตอนตายภาษาอังกฤษแต่ไม่เคยรู้สึกนึกอายเขาว่าเราพูดไม่เป็นเพราะเราก็พูดไม่เป็นจริงๆแม้จะพูดได้ก็ไม่ถูกสำเนียงรู้สึกว่าได้สนิทสนมกันมาก ในระหว่างเดินทางในเรือเมื่อขึ้นจากเรือที่ท่าเมืองกาตาแล้วได้กินนวดรากไปที่วัดพุทธสมาคมที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามหาโพโซซิตี้แล้วได้พักแรมคืนอยู่ที่นาลันทะบูติสแทมป์ตที่นั่นได้พบเพื่อนคนไทยซึ่งเป็น โ, โรคสิตพระโรกนาและพักอยู่ที่นั่นชื่อพระบดิกาสดสิงหาเสนี จึงได้สนทนาพอรู้เรื่องราวต่างๆในประเทศอินเดียในสมาคมนี้ได้สิทธิ์เราเป็นพิเศษอยู่สบายฉันก็สบายมีปรับพักอยู่รวมแปดรูปด้ยวยกันไปพักอยู่ในวันนี้ต้องฉันอาหารเจถึงเวลาฉันจังหันนั่งวงรอบรวมกันมีภาชนะคนละชิ้นตางองค์ต่า ง, งปักกับตักข้าวใช้ภ า, าชนะของตนพักอยู่พอสมควรแล้ว ได้ออกเดินทางไปที่ยรือวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารู้สึกมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งดูสภาพของพระพุทธศาสนาเสื่อมทรมเกือบไม่มีเหลือในด้านปฏิบัติเช่นพระสงฆ์นอนห้องเดียวกับผู้หญิงบ้างฉันจังหันเวลาวิการบ้างขึ้นร ด, ดลา ก, กับผู้หญิงบ้างดูข่าวไม่พิธีพิถันในพระวินัยเฉยๆพอนึกถึงตอนนี้ เขาไม่อยากจะอยู่ในอินเดียต่อไปอีกเวลานั้นอินเดียยังไม่ค่อยสนใจในทางพระพุทธศาสนาเท่าไรนักตามสถิติของพุทธสมาคมมีคนนับถือพุทธทั้งประเทศประมาณ3 0 0แสนคนเศษประกอบด้วยพระภิกษุทลายชาติหลายภาษาอาทิกับฟราดังทัพจีนทับทิเบตทัพมงโกเลียทัพเยอรมันรวมทั้งหมดในประเทศอินเดียมีพระอยู่ประมาณ80รูปเศษ มีกวามเป็นอยู่อย่างกันดารรบไม่มีผู้นิยมใส่บาตกันเท่าไหร่นะัก